บทภาชนีติกาปาจิตตี11ิที่พักท <t art an> <t art an> ี่ยังไม่สละภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่สละหลีกไป <t art an> ต้องอบัตปาจิตตีที่พักที่ยังไม่สละภิกษุณีไม่แน่ใจหลีกไปต้องอบัตปาจิตตีที่พักที่ยังไม่สละภิกษุณีสําคัญว่าสละแล้วหลีกไปต้องอบัตปาจิตตีติกาทุกกฏ ภิกษุณีไม่สลัดห้องพักไม่ได้ติดประตูหลีกไปต้องอบัติทุกกฎที่พักที่สลัดแล้วพิกษุณีสําคัญว่ายังไม่สลัหลีกไปต้องอบัติทุกกฎที่พักที่สลัดแล้วพิกษุณีไม่แน่ใจหลีกไปต้องอบัติทุกกฎที่พักที่สระแล้วพิกษุณีสําคัญว่าสลัดแล้วหลีกไปไม่ต้องอบัติ